หจุ 1> 1. สภาวะที่เอื้ออำนวยแก่การมีสติวงเล็บเปิด 14. มีนาคม2550นาจุดจุดนาทีหนึ่งวงเล็บปิดเราสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยแก่การมีสติอย่างการภาวนาจะดีไม่ดีอย่างนี้ก็ดูอาหารสปายะไหมสำคัญเรื่องอาหารมีส่วนเกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าสอนมาแต่ก่อนแล้วว่าอาหารที่ไม่สปายะ บางคนทานอาหารแบบนี้แล้วภาวนาไม่ไหวบางคนไปทานอาหารไม่ถูกนะไม่เข้าถึงธรรมเลยก็มีนะในธรรมบทพูดถึงว่ามีพระกลุ่มหนึ่งภาวนาอย่างไรก็ไม่ได้แล้วอุบาสิกาผู้รู้วราจิได้พิจารณาดูว่าทำไมพระไม่บรรลุสักทีก็พบว่าอาหารไม่สัปปายะก็เลยหาอาหารที่สัปปายะแก่พระแต่ละรูปไปให้ท่านก็บรรลุทั้งหมดเลยประมาณหกสิบรูปที่อยู่ก็ต้องสัปปายะนะ บางที่ภาวนาไปแรกๆดีแต่อยู่ไปนานๆแล้วจิตใจเฉื่อยชาไม่ดีหรือที่ที่กําลังก่อสร้างวุว่นวายก็ไม่ดีที่เก่ามากต้องซ่อมแล้วก็ไม่ดีบุคคลต้องสับปะยะต้องมีกัลยาณมิตรไปอยู่กับเพื่อนนักปฏิบัติที่กวรประสาทนะวันๆก็เครียดอยู่ใกล้กับพวกที่เครียดเครียดก็เครียดตามไปด้วยเป็นบุคคลไม่สับปายะธรรมะก็ต้องสับปะยะ ธรรมะที่ใช้สำหรับเราก็ต้องเหมาะกับเราไม่ใช่ไปลอกแบบการปฏิบัติของคนอื่นเขาดังนั้นสัพยะสี่อย่างนะเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นในการปฏิบัติของเราเราก็อาศัยการสังเกตเอาว่าเราทำอะไรแล้วสติสัพพัญญะเกิดบ่อยเราเอาอันนั้นเราอยู่ใกล้คนนี้แล้วเราสติเกิดบ่อยเราก็ไปอยู่ใกล้คนนี้ถ้าเราไปอยู่ใกล้คนนี้แล้วเราสติเกิดบ่อยแต่เขาสติพังภาพไปนะก็ต้องสงสารเขาเหมือนกัน บางคนไปลากเข้าเสียแต่ตัวเองดีขึ้นหรืออาหารบางท่านอดอาหารแล้วภาวนาดีก็อดกันทีหนึ่งหลายๆวันบางท่านก็ต้องทานข้าวก่อนแล้วภาวนาดีต้องดูเอาบางท่านชอบอยู่ในถ้ำมีบางคนมีที่สปายะคือที่มืดมืดทึบๆอับๆแล้วภาวนาดีบางทีไปอยู่ในโบสถ์เล็กๆกลางวันปิดประตูหน้าต่างร้อนมากน้องๆห้องสาวหน้าแล้วภาวนาดี หลวงพ่อต้องอยู่ที่กว้างๆโล่งๆแล้วภาวนาดีเราต้องดูตัวเราเองเวลาก็มีส่วนนะต้องสังเกตเอาบางคนภาวนาดีตอนเช้าบางคนตอนสายบ่ายเย็นค่ำดึกอย่างหลวงพ่อสังเกตตัวเองสักสี่โมงไปแล้วภาวนาดีอาจจะเพราะว่าใกล้เวลาเลิกงานก็ได้นะจิตใจก็ตัดเรื่องงานทิ้งเลยพอเลิกงานก็ดูลูกเดียวเลยจะดูอย่างขยันขันแข็งพอค่ำพอดึกมันเหนื่อยจากการทํางานทั้งวันมันดูไม่ค่อยจะไหวแล้ว มีช่วงเวลาสดใสยอยู่ไม่นานตอนเช้าสดใสนะจะ ต, ต้องตะลีตลานไปทํางานแย่งชิงกันใช้รถใช้ถนนดังนั้นช่วงที่ปลอดโปร่งจริงๆนะคือช่วงเลิกงานซึ่งหมดภาระมีช่วงเวลานิดเดียวนะตอนนั้นนาทีทองของเราเราต้องสังเกตตัวเองอะไรที่ทําแล้วเกื้อกูลให้เกิดสติให้เอาอันนั้นอย่าไปลอกแบบกันหลวงพ่อเลยไม่ชอบจัดคอร์สนะเพราะมันบังคับให้ทุกคนทําสิ่งเดียวกันเหมือนๆกันพร้อมๆกัน ถ้ามันไม่ถูกจริตทำไปก็เหนื่อยเปล่าหรือเหนื่อยมากได้ผลน้อยอย่างบางคนเวลานี้ควรจะเดินก็พาเขานั่งเพราะทุกคนจะต้องนั่งตอนนี้เขาควรจะหลับกลับเรียกให้ฟังธรรมะบางคนไม่ถนัดเดินเลยก็ได้แต่ถนัดนั่งลูกเดียวเลยบางคนไม่ถนัดนั่งเลยนั่งแล้วหลับก็ต้องเดินต้องศึกษาสังเกตตัวเองเอาแต่เคสที่ถนัดนอนเนี่ยมีรูปเดียวท่านภาวนาด้วยการนอนเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น